เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆุ ท, กท่านวันนี้เป็นวันที่เป็นวันเสาร์ที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราช255พอเป็นวันพระวันธรรมมะสวัสดิ์วันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ มาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญบุญกุศลตามพระธรรมคำสอนของพระบรมราศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งด้วยจิตที่มีศรัทธามีความสำนึกในพระพุทธคุณในพระธรรมคุณ ในพระสังกุลที่เปรียบเหมือนกับแสงสว่างนำทางในที่มืดหรือคนนำทางคนที่ตาบอดชีวิตของพวกเราถ้าไม่ได้มาเกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางหรือคนตาดี อยู่ในที่มืดที่ไม่มีแสงสว่างจะไม่สามารถมองเห็นทิศทางต่างๆได้จะไม่สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันได้นั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้บรรลุ ถ, ถึงมรกผลนิพพาน ถ้าไม่มีผู้นำทางเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกแล้วพวกเราก็จะต้องคลำทางไปเองก็จะต้องใช้เวลาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกลับเป็นกันแต่ถ้ามีพระพุทธพระเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีเป็นผู้นาทางเราก็สามารถไปถึง พระนิพพานได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่เกินเจดปีหรือหรือเจ็ ด, ดวันเป็นอย่างเร็วเจ็ดปีเป็นอย่างช้าก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ในพระสูตรคือพระมหาสติปทานสูตรทรงตัดว่าผู้ใดได้เจริญสติ ตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์อย่างแน่นอนบรรลุถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนถ้าเป็นผู้ฉลาดมีความเพียรอันแ ก, ก่กล้าก็จะสามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่มีความเพียรที่แ ก, ก่กล้าหรือไม่มีความฉลาดที่แ ก, ก่กล้าที่แหลมคม ก็ไม่เกินเจ็ดปีก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสังประกาศพระศาสนามาสั่งสอนพระธรรมคาสอนแล้วอย่าว่าแต่เจ็ดปีเลยเจกับเจกันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ เช่นพระพุทธเจ้าของเราที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าในอดีตทรงต้องบำเพ็ญบุญบารมีคำหาทางสู่การหลุดพ้นด้วยพระองค์เองจึงต้องเสียเวลาเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายนี้แต่พอหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศ ทำคำสอนแล้วผู้ฟังฟังเพียงครั้งแรกก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้การอย่างรวดเร็วนี่คือความวิเศษความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอาริยสงสาวลกทั้งหลายที่จะสามารถช่วยโยนเวลาแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในภพน้อยในภพใหญ่ของสัตว์โลกทั้งหลายให้สั้นลงหรือให้เหลือเพียงแต่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรำลึกถึงเสมอเพื่อเราจะได้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีโอกาสใดที่จะดีเท่ากับโอกาสนี้แล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระธรรมคําสอนมาพบพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ตักตรวงเราก็จะเป็นเหมือนกับทับพีในหม้อแกงเราจะไม่รู้คุณค่าของแกงที่ทับพีแช่อยู่ในหม้อนั้น mm. ไม่เหมือนกับลิ้น ลินนีจะรู้ทันทีรสชาติของอาหารชนิดต่างๆถ้าเราพบพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ให้ความสำคัญไม่ทุ่มเทเวลาและจิตใจให้แก่การศึกษาพระธรรมคำสอนฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ดีแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะเป็นเหมือนกับ เพราะเราจะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาแต่เรากลับจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเช่นลาบยศสารเสริญสุขที่สัตว์โลกทั้งหลายหลงละเลงชื่นชมยินดีแล้วก็ต้องทุกข์ระทมร้องหผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่รู้จักจบจากสิ้น นั่นก็เป็นเพราะว่าปรพัพื้นตนเองเป็นเหมือนทัพพีในหม้อกแกงไม่ทําตนเองให้เป็นเหมือนลินที่จะรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้คุณรับรู้โทษของสิ่งต่างๆเพราะปล่อยให้ความหลงครอบงาจิตใจปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดนําพาไปคิดว่าอะไรดีคิดว่าชอบอะไรก็ ทำไปตามความชอบของตนซึ่งความชอบของตนนี้เป็นความชอบที่เป็นความเห็นผิดถูกกงถูกกิเลสคือความหลงหลอกลอก่อให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวให้เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขพวกเราเดีงวนเวียนอยู่กับกองทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ชาตินี้พวกเราโชคดี ได้มีพระศาสนาปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะสอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสุขที่แท้จริงอะไรเป็นทุกข์ที่แท้จริงอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษที่แท้จริงเพียงแต่เราต้องศึกษาเราต้องฝ่ายทำเราต้องฝ่ายรู้ฝ่าการศึกษาพราะธรรมคำสอนเราต้องฝ่ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาได้อ่านได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาแล้วก็นำเอามาปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านไม่เคยสอนให้เราสะสมราบยศสรรเสริญสุขให้ถึงพรเราต้อง ถามตัวเราเองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมใจเราถึงไขอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญสุดเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่สอนให้เราสะสมสั่งสมลาบยศสรรเสริญสุดแต่กลับสั่งสอนให้เราทำความดีด้วยการเสียสละลาบยศสารเส ร, ริญ ส, สุดเช่นทานคือการให้พวกเราก็มาให้กันเราก็ ละเลือเราลดความอยากในรากยศเสริญสุขลงไปเราต้องพิจารณาดูว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องเชื่อว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าคงจะไม่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้ทรง ตหรือทรงสละลาบยศสละเสริญสุดที่พระพุทธองค์ทรงมีวะมีอยู่ในขั้งสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นว่าลาบยศสระเสริญสุคนี้แทนที่จะให้ความสุขกับเป็นสิ่งที่ผูกมัด จ, จิตใจให้อยู่กับความทุกข์เพราะจะทำให้ใจนั้นจะต้องกวนกังวยพูดวาย กังวลกับลาบยศสลรเสริญสุขเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่คนรวยเวลาจนนี่จะทุกข์ทรมานกว่าคนจนคนจนเขาอยู่กับความจนมาได้เขาไม่เดือดร้อนมากเท่ากับคนรวยที่เวลาตกทุกข์ได้ยากต้องมาอยู่แบบคนจนอาจจะไม่สามารถ อยู่ก็ได้อาจจะต้องข่าตัวตายไปก็ได้นี่คือความทุกข์ที่พวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นกันมีพระพุทธเจ้าที่ทรงมองเห็นว่าลาบยศเสริญสุขนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะหลุดจากกำมือเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลื่อเมื่อมันหลุดไปเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่ง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสุขเลยมันเป็นแต่ความทุกข์จึงตัดสินใจสละพระราชสมบัติสละลาภยศเสริญสุดที่พระพุทธองค์ทรงมีอยู่นั้นไปให้จนหมดสิน้นแล้วออกพนวดเป็นสมมะนักบวชอยู่แบบขอทานตอนเช้าก็ถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้าน ขออาหารจากชาวบ้านตามแต่เขาจะสัทธาจะใส่อะไรให้ก็ทรงสวยตามที่เขาให้มาไม่เคยบอกว่าต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะทรงเห็นว่าอาหารทุกชนิดก็เหมือนกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือให้ความอิ่มกับร่างกายรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ป้องกันความหิวที่จะเกิดขึ้นหรือดับความหิวที่มีอยู่ให้หมดไปหน้าที่ของอาหารก็มีเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารปราณีบอย่างไรหรือเป็นอาหารหยาบอย่างไรก็ตามก็เป็นอาหารเหมือนกันมาจากตลาดอันเดียวกันมาจากข้าวมาจากผักมาจากเนื้อมาจากผลไม้ มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่จะไปเยียวยาธาตุขันคือร่างกายร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันการรับประทานอาหารของเราก็เท่ากับการเติมธาตุเติมน้ำเติมดินเติมลมเติมไฟเพื่อธาตุสี่ที่อยู่ในรูปของร่างกายนี้จะได้ดําเนินต่อไปได้ เหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ำต่างๆให้กับรถยนต์เติมน้ามันเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำเติมน้ามันเบรกเติมลมนี่ก็เป็นการเติมธาตุให้กับธาตุเช่นเดียวกันถ้าไม่มีการเติมแล้วรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ฉันใดร่างกายถ้าขาดอาหารคือธาตุสีดินน้ำลมไฟก็จะพิกลพิ ก, การเจ็บไข้ได้ป่วย และตายไปในที่สุดดังนั้นการรับประทานอาหารของนักบวชของผู้ฉลาดของผู้ที่มีปัญญาจะไม่ได้รับประทานเพื่อรสชาติเพื่อความ อ, อร่อยจะไม่แยกแยะอาหารชนิดต่างๆว่าเป็นปราณีตหรือไม่ปราณีตว่า อ, อร่อยหรือไม่ อ, อร่อยขอให้รับประทานเข้าไปแล้วสามารถทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ต่อไปได้ไม่ให้หิวไม่ให้หิวไม่ให้ทุกข์ลำบากก็ถือว่าทาหน้าที่ได้แล้วนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ฉลาดเป็นอย่างนี้จะไม่มาเสียเวลากับการเลือกอาหารชนิดต่างๆไม่เสียเวลากับการมาผสมปรุงแต่งอาหารชนิดต่างๆ หรือไปตามสถานที่ต่างๆเลือกสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะรับประทานอาหารอยู่ใกล้ตรงไหนเมื่อถึงเวลาที่จะรับประทานก็รับประทานมันตรงนั้นรับประทานเสร็จแล้วก็อิ่มเหมือนกันจะอร่อยขนาดไหนมันก็ผ่านไปมันก็กลายเป็นความฝันกลายเป็นความจำไปจึงไม่ต้องควรจะเสียเวลากับเรื่องการรับประทานอาหารจนเกินไป เพราะเวลาของเรามีคุณค่ามากนอกจากการดูแลรักษาแภ า, าพร่างกายซึ่งเป็นงานที่เราต้องทำแล้วเรายังต้องใช้เวลากับการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อปลดเรื่องจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากวัฏจกักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เป็นงานที่สำคัญที่สุดและถ้าเราไม่รีบทำให้มันสำเร็จลุล่ว ง, งไปในชาตินี้ เวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ถ้าไม่พบแล้วชาติเราลืมสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ในชาตินี้เราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่และจะต้องคลาทางไปเองชาตินี้โชคดีมีคนนำทางชาติหน้าถ้ากลับมาไม่เจอพระพุทธศาสนา ก็ต้องคลำทางไปเองลองคิดดูซิคนตาบอดกับที่มีคนนำทางกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางนั้นแตกต่างกันอย่างไรคนที่มีคนนำทางอยากจะไปไหนก็บอกเขาได้เขาก็พาเราไปได้คนที่ตาบอดอยากจะไปไหนแต่ไม่มีคนนำทางนี่จะไปทิศไหนทางไหนก็ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าทิศทางที่ตนเองจะต้องการจะไปนั้นอยู่ตรงไหนนั่นเอง อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเห็นต้องการได้เลยพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรายังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่เพราะเรายังถูกความหลงครอบงำหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าราบยศสะลดเสริญสุขเป็นสิ่งที่น่าน่าสะสงน่าน่าน่ายยศน่าติด หน้ามีแต่หารู้ไมมว่ามันเป็นเหมือนพันธนาการที่จะผูกให้จิตใจของเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพอแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนตรงกันข้ามกับความรู้สึกนึกคิดของเรา เรามีความรู้สึกนึกคิดที่ชอบราบยศสรรเสริญสุขแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราลดให้เราเสียสละให้เราตัดความชอบในราบยศสรรเสริญสุขเสียให้เราชอบกับชีวิตที่อยู่แบบเรียบง่ายสมถะให้เราชอบกับความสงบที่เกิดจากการทาความดีที่เกิดจากการละเว้นการกระทาบาปที่เกิดจากการชาระ จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราชอบกันพยายามเชื่อขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติไปเถิดเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้รับผลเมื่อไหร่เราจะหายสงสัยทันทีเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอย่างนี้เพราะสิ่งที่ทรงสอนนั้นจะพาให้เรา ได้ไปพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่มีอยู่ในใจของเราแล้วความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เรียกว่าปรมังสุขขังไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเราที่ปที่ทําแต่ความดีละการกระทําบาปละความโลภความโกรธความหลงมันจะปรากฏขึ้นมาในใจของเรา เพียงแต่ขั้นแรกเริ่มต้นเวลาที่เราทำบุญให้ทานด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะมีความรู้สึกสงบใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรารักษาศีลเราก็จะยิ่งมีความรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปเพราะเราไม่มีความเดือดร้อนกังวลใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราทำบาปไม่รักษาศีลใจของเราจะมีแต่ความหวาดวิตกมีความกลัว ต่อวิบากรรมที่เราได้ทําไว้แต่ถ้าเรารักษาศิลนได้เราจะไม่มีความรู้สึกหว่นไว้กับวิบากรรมต่างๆนี่คือความสุขที่เราจะได้รับตามการปฏิบัติแล้วถ้าเราสามารถทําจิตใจของเราให้สงบระงรับจากความโลภความโกรธความหลงได้แม้จะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตาม จิตใจของเราจะดิ่งเข้าสู่กระแสของความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าปรมังสุขขังทันทีแม้จะเป็นชั่วขณะเพียงได้สัมผัสเพียงแค่ขณะเดียวก็ตามแต่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนทันทีเราจะหายสงสัยทันทีว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราตัดความ ยึดติดในลาภยศดสรรเสริญสุขทำไมให้เราทำแต่ความดีร่างการกรับทำบาปทำไมให้เราตัดความโลภความโกรธความหลงลงเพราะเมื่อจิตของเราได้อย่างเข้าสู่ความสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ไม่มีที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นสุขที่ทรงตรัสไว้ว่านาทีสันติบาลมสุขขังสุขอื่นใดที่ จะสุขเท่ากับความสงบของจิตใจนี้ไม่มีความสุขอันนี้เป็นความสุขที่เลิศตระสริฐและจะเกิดจากการที่เราทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มากำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปแต่ง เพราะถ้าจิตใจเราคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะปล่อยความโลภปล่อยความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าจิตใจของเราไม่สามารถไปคิดไปปรุงไปแต่งได้เพราะจะต้องอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าจิตของเราคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตก็ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงขนมหวานคิดถึงเงินถึงทอง คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ได้เมื่อไม่คิดถึงสิ่งต่างๆแล้วความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ความโกรธก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ความหลงก็ไม่สามารถผลักดันให้ไปโลภไปโกรธได้เมื่อเราสามารถถูกใจให้อยู่กับพุโทโธไว้เรื่อยๆนานๆแล้วอีกมันมันก็จะค่อยๆสงบตัวลงมันจะรู้สึกเบาจะสบายขึ้นทีละเล็กทีละน้อย หรือถ้ามเกิดมันสงบอย่างอย่างเต็มที่อย่างแบบกระทันหันมันก็จะเหมือนกับตกลุมตกบอ่อตกเหววูบลงไปพอวูบแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็จะเบาจะสบายจะมีความตื้นติบางทีน้ำตาอาจจะไหลออกมาบางทีผลขนจะลุกซ่าขึ้นมาบางทีภายในจิตนั้นจะรู้สึกสว่างสวัยไปหมดนี่คือสิ่งที่เราจะได้พบ ได้สัมผัสคือความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตในใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเพียงแต่ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติเราจะสัมผัสได้เพียงชั่วเดียวๆชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็จะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วมันก็จะเริ่มไปคิดปรุงแต่งต่างๆเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันไปคิดปรุงแต่งเหมือนเมื่อก่อนนี้ เราควรที่จะสอนให้มันคิดในดสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เช่นให้สอนให้คิดว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายความแก่ความเจ็บไปไม่ได้สอนมันคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อสอนมาแล้วมันจะได้ไม่หลงกับร่างกายจะมันจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ คนเราเวลาเห็นฝาลงแล้วจะเตรียมตัวเตรียมใจแต่ถ้ายังไม่เห็นฝาลงนี้ก็จะผัดวันประกันพรุ่งหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังจะอยู่ไปอีกนานแต่หารู้ไหมว่าเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นมาเราจะเตรียมตัวไม่ทันถ้าเราเตรียมตัวทันแล้วรับรองได้เวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจ เราจะรู้สึกเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าหวาดกลัวเลยอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเราใจของเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะใจของเราเตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเวลาแก่เราก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนมีเงินมีทองก็คอยเก็บหอมรอมริบเอาไว้ เผื่อเวลาเราแก่เราจะได้ไม่เดือดร้อนนี่เราก็เตรียมตัวไว้แล้วอย่างหนึง่งพอเราแก่เราก็ปรับชีวิตของเราให้เข้ากับสภาพของเราตอนหนุ่มตอนสาวเราไปไหนมาไหนไปทำอะไรได้ตอนแก่เราก็อยู่บ้านหรือไปวัดปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเคยเตรียมตัวไว้ตั้งแต่นอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวพอถึงเวลาแก่เราก็จะสามารถปรับปรับชีวิตของเรา ให้เข้ากับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับคนที่ปรับตัวเองไม่ได้คนที่เคยออกไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรแบบคนหนุ่มคนสาวอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาที่ตนเองไม่สามารถทําตามที่เคยทําได้ก็จะหดหยีดใจเศร้าสร้อยหงอยเหงากุ้มอกกุ้มใจนี่แหละคือการเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเรา เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือความแก่ความเจ็บและความตายพอเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดเราอยู่ในเตียงนอนเราก็สามารถภาวนาได้เราก็สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้เราก็สามารถพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราคอยทําอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมีที่พึ่ง จะไม่กังวลกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายก็หายไม่หายก็กตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเป็นใหม่อยู่ดีมันต้องมันต้องเจอยกสุดท้ายอย่างแน่นอนทุกคนไม่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอยกไหนบางคนก็เจอยกที่หนึ่งบางคนก็เจอยกที่10 บ, บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น10ครั้งกว่าจะตาย บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งเดียวก็ตายแต่ถ้าใจมีธรรมะมีปัญญาแล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ได้อยากให้มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอย่างอื่นไปมันแก่ก็ให้มันแก่มันเจ็บก็ให้มันเจ็บถ้าเรายอมรับความจริงแล้วมันจะไม่ทุกขนะ์ไงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงแก่ก็ไม่ยอมแก่อย่างนี้ก็จะทุกข์ เจ็บก็ไม่ยอมเจ็บอยากจะหายอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะทุกข์ถ้ามันไม่หายแล้วถ้ามันหายแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเป็นใหม่ก็ทุกข์อีกแต่ถ้ายอมรับว่ามันหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ทุกสภาพมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะสบายเพราะใจกับร่างกายมันเป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนคนสองคนร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งเพียงแต่ใจนี้มืดบอดมีความหลง ไปหลงคิดว่าร่างอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเป็นตัวเป็นตนความจริงร่างกายก็เป็นคนหนึ่งใจก็เป็นอีกคนหนึ่งใจไม่ต้องไปเดือดร้อนกับร่างกายเหมือนกับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ได้มาทำให้เราเป็นต่างเขาด้วยถ้าเราไม่ไปไปยึดไปติดไปหลงไปรักไปชอบเขาแล้วเราจะไม่มีความอยากต่าง ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเอาเป็นเราไปหลงรักเขาเราก็จะมีความอยากอยากจะให้เขาหายป่วยอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆพอเขาป่วยเรือไม่หายหรือตายไปเราก็ร้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนละคนกันแต่เพราะใจเพราะใจเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรา กำจัดความหลงให้เรามีปัญญาให้เห็นความจริงความเจความหลงกับความจริงนั้นยมักอยู่ตรงกันข้ามกันความหลงนี่จะปฏิเสธความจริงความหลงจะอยากให้อยู่ไปนานๆอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความหลงแต่ความจริงแล้วจะต้องรู้จะต้องเห็นว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามีความจริงอยู่ในใจก็จะไม่ทุกข์กับ เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นถ้ามีแต่ความหลงพอมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถรับกับเหตุการณ์นั้นได้ก็จะต้องทุกขทรมานใจนี่คือวิธีการดำเนินชีวิตของเราเราต้องพยายามศึกษาพระเทศพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นําเอามาปฏิบัติเอามาสอนใจเรา แล้วก็ปฏิบัติตามอย่าฝืนความจริงอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะทำให้เราต้องวุ่นวายใจทุกทรมานใจแต่ความที่เรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะงอมืองอเท้าหรือเราจะฆ่าตัวตายไปก็ไม่เช่นนั้นเราก็ยังอยู่อย่างปกติ เหมือนกับเหมือนกับที่เราไม่ได้ไม่ได้พิจารณามาก่อนตามก็ต้องที่เราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวไม่ทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่ศึกษาไม่เตือนใจไม่สอนใจพอเกิดเหตุการณ์ที่ใจไม่ไปรารถนาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแล้วเราก็จะต้อง เวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากต่างๆได้พบชาติต่างๆก็จะเบาบางลงไปและอาจจะหมดไปในชาตินี้ก็ได้ถ้าเราสามารถตัดความอยากต่างๆทั้งหมดให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเราคือการศึกษาปฏิบัติธรรม หน้าที่รองลงมาก็คือการดูแลอัตภาพร่างกายของเราเราดูแลอัตภาพร่างกายตามสมควรแก่ความจําเป็นก็พออย่าไปหลงละเริงสร้างบ้านให้ใหญ่โตราคา10บสิล้านอย่าหลงละเริงกับการซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆเต็มตู้เต็มบ้านซื้อวัตถุเข้าของต่างๆมาบำรุงบำเลงมันไม่ได้เป็นการทําให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่กับผูกจิตใจของเราให้อยู่กับกองทุกไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้มีปัจจัยสี่พอเพียงก็พอแล้วเพื่อเราจะได้เอาเวลาอันมีค่านี้มารีบปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาทำความดีทั้งหลายให้ถึงพรอมมาละบาปทั้งปวงมากำจัดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนานี่แหละจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราหนุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ครอบครองอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสมบัติของพวกเราเช่นเดียวกัน จึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ให้ท่านได้นำไว้พิริศติจ า, าและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดแห่งมรรคผลนิพพานแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย